บทภาชนีมาติกา477หมู่บ้านมีอุปจาร์เดียวกันหมู่บ้านมีอุปจาร์แยกกันเรือนมีอุปจาร์เดียวกันเรือนมีอุปจาร์แยกกันโรงเก็บของมีอุปจาร์เดียวกันโรงเก็บของมีอุปจาร์แยกกันป้อมมีอุปจาร์เดียวกันป้อมมีอุปจาร์แยกกันเรือนยอดเดียวมีอุปจาร์เดียวกันเรือนยอดเดียว มีอุปจาร mind, Buddhism, ์แยกกันปราสาทมีอ well, ุปจารเดียวกันปราสาทมีอุปจาร์แยกกันเรือล้นมีอุปจารเดียวกันเรือล้นมีอุปจาร์แยกกันเรือมีอุปจารเดียวกันเรือมีอุปจาร์แยกกันหมู่เกวียนมีอุปจารเดียวกันหมู่เกวียนมีอุปจารแยกกันหน้ามีอุปจารเดียวกัน นามีอุปจารแยกกันลานนวดข้าวมีอุปจารเดียวกันลานนวดข้าวมีอุปจารแยกกันสวนมีอุปจารเดียวกันสวนมีอุปจารแยกกันวิหารมีอุปจารเดียวกันวิหารมีอุปจารแยกกันโคนไม้มีอุปจารเดียวกันโคนไม้มีอุปจารแยกกันที่กลางแจ้งมีอุปจารเดียวกันที่กลางแจ้งมีอุปจารย์แยกกัน 478ที่ชื่อว่าหมู่บ้านมีอุปจาร์เดียวกันคือหมู่บ้านของตระกูลหนึ่งล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิสูุเก็บจีวรไว้ภายในหมู่บ้านแล้วพึงอยู่ภายในหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านมีอุปจารแยกกันคือหมู่บ้านของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมพิกษุต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาล 479. หมู่บ้านของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุ ต, ต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบัดเมื่อไปหอประชุมต้องเก็บจีวรไว้ในหัตถบัดแล้วอยู่ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบัดภิกษุเก็บจีวร ในหอประชุมต้องอยู่ในหอประชุมหรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบัดหมู่บ้านไม่มีรั้วล้อมพิสษจต้องอยู่ในเรือนที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาท480เรือนของตระกูลหนึ่งล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องพิกษุเก็บจีวรไว้ภายในเรือนต้องอยู่ภายในเรือน เรือนไม่มีรั้วล้อมภิกษุนต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบานศูนดสิบเรือนของต่างตระกูลและร้อมลัวไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุนต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบานเรือนไม่มีรั้วล้อม ภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้ y, หรือไม่ละหัตถบาต482โรงเก็บของของตระกูล 1. ล้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในโรงเก็บของที่ตนเก็บไว้โรงเก็บของไม่มีรั้วล้อมภิกษุต้องอยู่ในห้องเก็บของที่ตนเก็บจีวรไว้ y, หรือไม่ละหัตถบาต 483โรงเก็บของของต่างตระกูลและร้อมรั้วไว้ด้วยกันมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิสูจ ต, ต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาศโรงเก็บของไม่มีรั้วล้อมภิกษุน ต, ต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาตสี่ร้อยแปป้อมของตระกูลหนึ่ง ภิกษุต้องอยู่ภายในป้อมที่ตนเก็บจีวรไว้ป้อมของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาตสี่ร้อเรือนยอดเดียวของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ภายในเรือนยอดเดียวที่ตนเก็บจีวรไว้เรือนยอดเดียวของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้อง ภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาตสี่ร้อยปดสิบหราสาทของตระกูลหนึ่งภิกษุต้องอยู่ในปราสาทที่ตนเก็บจีวรไว้ปราสาทของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องภิกษุต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบาตสี่ร้อยเรือนยอดเดียว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 หรือไมลหัตถบาต488เรือของตระกูลหนึ่งพิกษุต้องอยู่ภายในเรือที่ตนเก็บจีวรไว้เรือของต่างตระกูลมีห้องใหญ่ห้องเล็กหลายห้องพิสูจต้องอยู่ในห้องที่ตนเก็บจีวรไว้หรือที่ริมประตูหรือไมลหัตถบัต489หมู่เวียนของตระกูลหนึ่งพิสูจนต้องไมละอับพันดรด้านหน้าหรือด้านหลัง ข้างละเจ็ดอพันดรด้านข้างด้านละหนึ่งอพันดรหมู่เกวียนของต่างตระกูลพิสูตเก็บจีวรไว้ในหมู่เวียนต้องไม่ละหัตถบาต490นาของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิสูตต้องอยู่ภายในนาที่ตนเก็บจีวรไว้นาไม่มีรั้วล้อมภิสูตต้องไม่ละหัตถบาตนาของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกัน ภิกษุเก็บจีวรไว้ภายในนาต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบานนาที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบาน491ลานนวดข้าวของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุต้องอยู่ภายในลานนวดข้าวที่ ต, น, ตนเก็บจีวรไว้ลานนวดข้าวของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบานลานนวดข้าวของต่างตระกูลและ ล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิษูเก็บจีวรไว้ภายในลานนวดข้าวต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัถบานลานนวดข้าวของต่างตระกูลไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัถบาต492รสวนของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิษูจเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ภายในสวนสวนที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตบาน สวนของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิสูจเก็บจีวรไว้ภายในสวนต้องอยู่ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบัดสวนที่ไม่มีรั้วล้อมต้องไม่ละหัตถบัด493วิหารของตระกูลหนึ่งและล้อมรั้วไว้ด้วยกันพิสูจเก็บจีวรไว้ในวิหารต้องอยู่ภายในวิหาร วิหารของตระกูลหนึ่งไม่มีรั้วล้อมต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบานวิหารของต่างตระกูลและล้อมรั้วไว้ด้วยกันภิกษุต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้ที่ริมประตูหรือไม่ละหัตถบานวิหารของต่างตระกูลไม่มีรั้วล้อมต้องอยู่ในวิหารที่ตนเก็บจีวรไว้หรือไม่ละหัตถบาตสี่ร้อย โคนไม้ของตระกูลหนึ่งกำหนดเขตที่เงาแผ่ไปรอบๆเวลาเที่ยงวันพิสูจเก็บจีวรภายในเขตเงาต้องอยู่ในเขตเงาโคนไม้ของต่างตระกูลต้องไม่ละหัตบาน ท, ที่ชื่อว่าที่กลางแจ้งมีอุปจาร์เดียวกันคือป่าไม่มีบ้านกำหนดเจ็ดพันดอนโดยรอบเป็นอุปจาร์เดียวผลนกำหนดนั้นเป็นอุปจาร์แยกกัน